วจีเพศกถา14ว่าด้วยการเปล่งวาจา326ร้กสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอ hmm. ยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหม ประวาทีใช่ักวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข่าฌานมีอยู่ในการทั้งปวงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข่าฌานมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข่าฌานทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาที การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจามีอยู่ในสมาบัติทั้งปวงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีการเคลื่อนไหวกายของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศักวาทีการเคลื่อนไหวกายของผู้เข้าฌานไม่มีใช่ไหมปราวาทีใช่ศักวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานไม่มีใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศักวาทีวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่การเปล่งวาจาก็มีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่ศักวาที กายของผู้เข้าฌานมีอยู่การเคลื่อนไหวกายก็มีอยู่ใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายของผู้เข้าฌานมีอยู่การเคลื่อนไหวกายไม่มีใช่ไหมประวาทิใช่สกาวาทีวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่แต่การเปล่งวาจาไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 327ร้สกวาทีเมื่อรู้ว่าทุกข์ย่อมเปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อรู้ว่าสมุทัยย่อมเปล่งวาจาว่าสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อรู้ว่าทุกข์ย่อมเปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่ ักวาทีเมื่อรู้ว่านิโรธย่อมเปล่งวาจาว่านิโรธใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีเมื่อรู้ว่าทุกข์ย่อมเปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีเมื่อรู้ว่ามักย่อมเปล่งวาจาว่ามักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อรู้ว่าสมุทัย แต่ไม่เปล่งวาจาว่าสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อรู้ว่านีโรธแต่ไม่เปล่งวาจาว่านิโรธใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นจักวาทีเมื่อรู้ว่ามักแต่ไม่เปล่งวาจาว่ามักใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีเมื่อรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น328รอัอกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธียานมีอะไรเป็นโคจรปรวาทียานมีสัจจะเป็นโคจรสกวาทีโสตมีสัจจะเป็นโคจรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตมีอะไรเป็นโคจร ปรวาทีโสตะมีเสียงเป็นโคจรสกวาทียานมีเสียงเป็นโคจรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข่าฌานมีอยู่ยานมีสัจจะเป็นโคจรสโสตะมีเสียงเป็นโคจรใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที หากยานมีสัจจะเป็นโคจรโสตะมีเสียงเป็นโคจรท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอ ย, กกาาอาาอยู่ยานมีสัจจะเป็นโคจรโสตะมีเสียงเป็นโคจรใช่ไหมเปราวาทีใช่ สกวาทีการประชุมแห่งผัสสะสองเวทนาสองสัญญาสองเจตนาสองจิตสมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น329ร้ ส, รออสก้าสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์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 มีโอทาตะกะสินมีอากาสานัญจายตนะมีวิญญาณัญจายตนะมีอากินจัญญยายตนะมีเนวสัญญาณาสัญญายตนะเป็นอารมณ์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีหากการเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สักวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติที่มีอาโปกสินมีเตโชกสินมีวายโยกสินมีนีละกสินมีปีตะกสินมีโลหิตตกสินมีโอทาตกสิน มีอาการสาัญจายตนะมีวิญญาณัญจายตนะมีอากิจัญญายตนะมีเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีอาการเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติที่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกวาที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 ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยะทุติยฌานตติยฌานจะตุถฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยะสมาบัติไม่มีใช่ไหมปรวาที ใช่สกวาทีหากการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยสมาบัติไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยปัธรรมฌานไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยปัทรมฌานไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า การเปล่งวาจ า, าของผู้เข้าฌานมีอยู่ส ก, กวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยตุติยชฌานตติยะฌานจตุติฌานไม่มีใช่ไหมปรวาที <entrar> ใช่ส ก, กวาทีอาการเปล่งวาจ า, าของผู้เข้าโลคิยัจตุติฌานไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปล่งวาจ า, าของผู้เข้าฌานมีอยู่ส3 0ส ก, กวาที การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปัธมฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยปัธมฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปัธรรมฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยทุติยชาติตติยชาติจตุทชาตมีอยู่ใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาติการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยาปัตตมะชาตไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปัตตมะชาตไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีการเปล chill, de ่งวาจาของผู้เข้าโลกิยาุติยชาตตติยชาตจตุติยชาตไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปัธรรมชาตไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น331ร้สามกวาธีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปัธรมชานิมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีใช sì. yes. ่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระทุติยฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปัธมาฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระตติยฌานเจตุถฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั machines, <tr> ้นสักวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระทุติยชาญไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปัธมชาญไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระทุติยชาญตติยชาญจตุตชาญไม่มีใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปัธรมชาญไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส3 2ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌามีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาที พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิตตกระวิจารณเป็นวจีสังขารในวงเล็บเครื่องปรุงแต่งวาจาวิตตกระวิจารณของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหมประวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิตตกระวิจารเป็นวจีสังขารวิตตกระวิจารณของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกวาที พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิตกกระวิจาร์เป็นวจีสังขารวิตตกระวิจารณ์ของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่เพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีวิตกกระวิจารณของผู้เข้าปฐมฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์มีอยู่การเปล่งวาจาของผู้นั้นมีอยู่ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิตกละวิจารเป็นวจีสังขารวิตกกละวิจารของผู้เข้าปฐมชาญมีอยู่เพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีวิตกกละวิจารของผู้เข้าปฐมชาญที่มีอาโปกสินมีเตโชกสิน มีวายโยกัสินมีนีลกัสินมีปีตกัสินมีโลหิตกัสินมีโอทาตากัสินเป็นอารมณ์มีอยู่การเปล่งวาจาของผู้นั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาที พระผู้มีพระภาคตรัสว right? ่าวาจามีวิตกเป็นสมุดฐานวิตกและวิจารณ์ของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีวิตกเป็นสมุดฐานวิตกและวิจารณของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีวิตกเป็นสมุดฐานวิตกและวิจารณ์ของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่เพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีสัญญาเป็นสมุดฐานสัญญาของผู้เข้าทุติยฌานมีอยู่ วิตกและวิจารของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีวิตกเป็นสมุทฐานวิตกและวิจารของผู้เข้าปรธรมฌานมีอยู่เพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาที พระพูทธมีพระภาคตรัสว่าวาจามีสัญญาเป็นสมุดฐานสัญญาของผู้เข้าตติยฌานจะตุทฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะมีอยู่วิตกตรวิจารณของผู้นั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น3ามสกวาที การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานดับไปมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากพระสูตรที่ว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานดับไปมีอยู่จริงท <Philosophy> <ng> <ara> ่านก็ไม่ควรยอมรับว่า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 ลมอัศสะปัตาสะของผู้เข้าจะตุทชานดับไปรูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะดับไปอากาสานัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะดับไปวิญญาณัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าอากินจัญญาตนะดับไปอากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญาตนะดับไป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 เส <Sever> ียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานมิใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานเพราะเหตุนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานเพราะเหตุนั้น การเปลี่ยวาจาของผู้เข้าฌานจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิตตกรวิจารเป็นปฏิปักต่อทุติยะฌานตรัสว่าปีติเป็นปฏิปักต่อตติยะฌานตรัสว่าลมอัศสาสะปัสสาสะเป็นปฏิปักต่อจตุตชฌานตรัสว่ารูปสัญญาเป็นปฏิปักต่อผู้เข้าอาการสานัญจาตนะตรัสว่า อาการสานัญจายตนะสัญญาเป็นปฏ er ิปักษ์ต่อผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะตรัสว่าวิญญาณัญจายตนะสัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าอากินจัญญายตนะตรัสว่าอากินจัญญายตนะสัญญาเป็นปฏิปักษต่อผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะตรัสว่าสัญญาและเวทนาเป็นปฏิปักษต่อผู้เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธ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 ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสิขีสถิตยอยู่ในพรหมโลกได้ประกาศให้มืนจั ก, กรวาลทราบด้วยเสียงว่าท่านทั้งหลายจงปรารบความเพียรจงทําความเพียรอย่าหยุดยั้งจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกําจัดกองทัพแห่งมัจจุเหมือนช้างกําจัดเรือนต้นอ้อฉะนั้น ผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวิไหนนี้ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะ ก, กระทรรมที่สุดแห่งทุกได้มีอยู่จริงนิเช่หรือส ก, กวาธีใช่ปรวาธีดังนั้นการปริงวาจาของผู้เข้าฌานจึงมีอยู่วจีเพศกถาจบ 6. กทุกขาหาระกะถา ในมุงเรบสิบห้ว่าด้วยทุกขาหารยาน 34, สามร้อสสกวาทีการกล่าวว่าทุก์เป็นองค์ของมัชนับเนื่องในมัชใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีทุกคนที่กล่าวว่าทุก์ชื่อว่าเจริญมัชใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทุกคนที่กล่าวว่าทุกชื่อว่าเจริญมัชใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีภาลปุถุชนที่กล่าวว่าทุกข์ชื่อว่าจเจริญมักใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหัน์ทร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันกล่าวว่าทุกข์ชื่อว่าจเจริญมักใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นทุกขาหารากาถาจบ 7. จิตตทิติกถาในมูเรบ16ว่าด้วยความตั้งอยู่แห่งจิต335สบกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกึ่งวันเป็นขณะเกิดขึ้นของจิตอีกกึ่งวันเป็นขณะดับของจิตใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดสองวันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวันหนึ่งเป็นขณะเกิดขึ้นของจิตอีกวันหนึ่งเป็นขณะดับของจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดสี่วัน8ดวันสิบวันยี่สิบวัน 1เดือน2เดือน4เดือน8เดือน10เดือน1ปี2ปี4ปี8ปี10ปี30ปี40ปี50ปี100ปี200ปี400ปี500ปี 1,000 ปี 2,000 ปี 4,000 ปี 8,000 ปี 16,000 ปี1กับ2กับ กับ8กับ16กับ32กับ64กับ500กับ 1,000 กับ2000กับพกับ800กับ1600กับ 20,000 กับ 40,000 กับ 60,000 กับ 84% พกับใช่ไหมประวัติใช่ักวาที 42,000 กับเป็นขณะเกิดขึ้นของจิต อีก 42,000 กลับเป็นขณะดับของจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมากครั้งในวันหนึ่งมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสภาวธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตนี้จิตนี้เปลี่ยนแปลงได้เร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆมีอยู่จริงมิใช่หรือ ปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตสกวาทีสภาวธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมาโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้น อีกดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันเปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นต่อไปฉะนั้นมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิต336ร้สกวาที จิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมประวาทิใช่สกวาทีจะคูวิญญาณตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณจิตที่เป็นอกุศลจิตที่สหรคคด้วยราคะที่สหรคคด้วยโทสะที่สหรรคด้วยโมหะ ที่สหรคตด้วยมานะที่สหรคตด้วยทิฏฐิที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยถีนะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะที่สหรคตด้วยอหิบริกะที่สหรคตด้วยอนโนตตะปะตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมประวาที ati, ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมประวาที ใช่สกวาทีบุคคลเห็นรูปทางตาด้วยจิตดวงใดฟังเสียงทางหูด้วยจิตดวงนั้นดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธพาทางกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจด้วยจิตดวงใดย่อมเห็นรูปดวงตาด้วยจิตดวงนั้นฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องโพธพ้าทางกายด้วยจิตดวงเดียวกันนั้นนั่นเองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีบุคคลก้าวไปด้วยจิตดวงใดย่อมถอยกลับด้วยจิตดวงนั้นถอยกลับด้วยจิตดวงใดย่อมก้าวไปด้วยจิตดวงนั้นแลดูด้วยจิตดวงใดย่อมเหลียวดูด้วยจิตดวงนั้น เหลียวดูด้วยจิตดวงใดย่อมแลดูด้วยจิตดวงนั้นคูเข้าด้วยจิตดวงใดย่อมเหยียดออกด้วยจิตดวงนั้นเหยียดออกด้วยจิตดวงใดย่อมคูเข้าด้วยจิตดวงนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส3 7ร้อยสาสกวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสาญจายตนะพบมีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเรามนุษย์มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนาพมีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเราเทพชั้นจาตุมหาราชั้นดาวดึง ฉันญามาฉันดุสิตฉันนิมมานรดีฉันปรานิมะมิตรสวัสดีฉันพระมปาริสัจชาฉันพระมปุโรหิตาฉันมหาพรมาฉันปริตตตาภาฉันอัปปมานาภาฉันอาภัสราฉันปริตตสุภาฉันอัปปมาณสุภาฉันสุภกินหาฉันเวหัพลา ชั้นอวิหาชั้นอตปาชั้นสุทัศสาชั้นสุทัศสีชั้นอากนาริทฐามีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอาการสานัญจายตนะพมีประมาณอายุสอง0 0ื่กับก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดสอง0 0ื่นกับใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเรามนุษย์มีประมาณอายุหนึ่งปีก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดร้อปีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสารนัญจายตนะพมีประมาณอายุสอง0 0ื่กับก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดสอง0 0ื่กับใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีเหล่าเทพชั้นจาตุมหาราชมีประมาณอายุห้าร้อปีก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดห้าร้อยปีเหล่าเทพชั้นดาวดึงตั้งอยู่ได้ตลอดหนึ่งพันปีเหล่าเทพชั้นยามาตั้งอยู่ได้ตลอดสองพันปีเหล่าเทพชั้นดุษิีตั้งอยู่ได้ตลอดสี่พันปีเหล่าเทพชั้ 2, น 4, น, นิมมานารดี ตั้งอยู่ได้ตลอด 8,000 ปีเราเทพชั้นปรนิมมิตะสวัสดีตั้งอยู่ได้ตลอด 16,000 ปีเราเทพชั้นพระมปาร Tiny, Hidden, ิสัจชาตั homemade, obey, ้งอยู่ได้ตลอด1ใน3ของกับเราเทพชั้นพระมปุโรหิตตาตั้งอยู่ได้ตลอดกึ่งกัปเราเทพชั้นมหาพรหมาตั้งอยู่ได้ตลอด1กัป เหล่าเทพชั้นปริตตาภาตั้งอยู่ได้ตลอดสองกับเหล่าเทพชั้นอปปมานาภาตั้งอยู่ได้ตลอดสี่กับเหล่าเทพชั้นอภัสราตั้งอยู่ได้ตลอด8ดกับเหล่าเทพชั้นปริตตสุภาตั้งอยู่ได้ตลอดสิหกับเหล่าเทพชั้นอัปมาณสุภาตั้งอยู่ได้ตลอดสาสองกับเหล่าเทพชั้นสุภกินหาตั้งอยู่ได้ตลอด หกกับเหลาเทพชั้นเวหัพลาตั้งอยู่ได้ตลอดห้าร้อกับเหลาเทพชั้นอวิหาตั้งอยู่ได้ตลอดหนึ่งพกับเหลาเทพชั้นอตตป่าตั้งอยู่ได้ตลอดสองพันกับเหลาเทพชั้นสุทัศนาตั้งอยู่ได้ตลอดสี่พันกับเหลาเทพชั้นสุทัศสีตั้งอยู่ได้ตลอดแป00กับเหลาเทพชั้นอการิฏฐา มีประมาณอายุหนึ่งกับก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดหนึ่งกพักับใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนาภพมีจิตเกิดดับเป็นระยะระยะใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนาภพจุติ ปฏิสนทิเป็นบ ร, ยริยระยะใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเหล่าเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพมีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเหล่าเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพ ปฏิตนทิด้วยจิตดวงใดย่อมจุติด้วยจิตดวงนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นจิตติติกถาจบ